รธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองสิงหาคม2555หอบอบรมพระหลังสวดปฏิโมกมีชื่อเรื่องว่าการอยู่ร่วมกันในพรรษา วันนี้เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถตรงกับวันที่2 ส, สิงหาคมพุทธศักราช2555ปีนี้8สองหนเราจำพรรษาเดือนเดือน8หลังวันพุ่งนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาวันที่3สิงหา55วันนี้เป็นวันอุโบสถ ตรงกับวันอัศรหาบูชาเป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสาคัญยิ่งคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โกลนต้นโพวันที่วันเดือนหกเพนจากนั้นพระองค์ได้เสวยบิมุติสุขในสถานที่ต่างๆที่โกลนต้นโพที่ต้นไซตต้นนิโคตต้นเกศ สมัมพุทธจลินได้หลายแห่งในพวกเราไปดูในพุทธประวัติปฐมสมโพธในพระไตรปิฎกพวกเราจะรู้ว่าพระพุทธองค์ได้ตัดสู้แล้วระทับอยู่ที่ไหนบ้างจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่กรุงพารณาณสีเพื่อไปโปรดปัญจวกขีทั้ง5ในเมื่อไปถึงแล้วก็ได้โปรดปัญจวกขีทั้ง5 ปัญจวคีทั้ง5มีพระอัญญาโกณ ร, รัญญะได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้บวชเมื่อได้ศึกษาธรรมแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บวชธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระอัญญาโกณ ร, รัญญะก็เป็นเหมือนกับว่าให้เห็นอนิจจังพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดา ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าอดีตไม่ว่าปัจจุบันไม่ไมว่าอนาคตถ้ามันเกิดขึ้นแล้วต้องดับแตกสลายในที่สุดเป็นธรรมดาปัญญาโคนระยะได้ฟังคำนี้ยังกินจิสมุท ร, รยะธรรมังสับพันต่างในโรทธรรมมันจากนั้นอัญญาโคนระยะก็ได้บรรลุพระสูดาบันเมื่อได้บรรลุพระสูดาบันแล้วก็ ขอบวชคำว่าพวกเราอยากจะศึกษ า, าอ่านดูอ่านดูในปฐมมสมโพธิอยู่ในตํำรับกํารายอยู่แล้วจากนั้นพ่อบวชแล้วก็เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นอริยสงฆ์เบื้องต้นคือท่านได้สาเร็จพระโสดาบันแล้ ว, ลวอริยสงฆ์เป็นผู้ไม่ถอยหลังเป็นผู้นําหน้าเป็นผู้เดินหน้า คือพระอริยะสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ถ้าว่าขึ้นบันไดก็คือเกาะบันไดขั้นที่หนึ่งได้แล้วต่อไปจะขั้นขึ้นที่สองขั้นที่3ขั้นที่4ี่แปว่าถึงจุดหมายปลายทางมีอยู่4ขั้นพระโสดาบันขั้นที่หนึ่งพระสกทาคามีขั้นที่สองพระอนาคามีขั้นที่สพระอรหันต์ขั้นที่สีนีพระอัญญาโกณัญญะท่านได้ขั้นที่หนึ่งที่ได้ฟัง รรมจากกัปปวัตนสูตรในคืนวันนั้นจากนั้นท่านก็ได้บำเพ็ญพร้อมกับพระสงฆ์สี่รูปวัปปัติยะมหานามอัจฉชิจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมขันเมื่อสำเร็จพระอรหันต์ข่าวนี้ก็ได้นะพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกห้ารูปว่าวันนี้เป็นวันวันที่พระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกห้ารูป คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สยามภูรู้แจ้งโลกตัจรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต่อมาก็คือพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศสอนพระอัญญากรทันยะพระัญญ า, ญญากลทันยะได้รับพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก่อนนึกน้อมตามที่พระพุทธองค์ได้เทศนาบอกกล่าวท่านก็ได้บรรลุธรรม เป็นพระสูดาบันจากนั้นท่านก็ได้ขอบวชและก็เป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกคือไตรสรณคมหรือว่าสาระของพวกเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบัติเรื่องพร้อมในวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาและก็พร้อมกัน ก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแต่สมัยเมื่อพระองค์ได้ตัดตรู้ใหม่พระองค์ยังไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเข้าพรรษาในเมื่อพระอัญญาโกณทัญญาวัปปะพัทิยะมหานามอัจฉิพระอรหันตุบัติขึ้นในโลกรวมกับพระพุทธองค์ด้วยพระหัน์มีอยู่ในโลกหกองค์มีหกองคพระสาวกห้าพระพุทธเจ้าหนึ่ง รวมแล้วพระอาหารหันต์อุบัติขึ้นในโลกหครูจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายควรจะไปในทิศทั้งสี่ไปคนละทิศทางกันอย่าไปด้วยกันไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมะให้แก่สัพสัตวผู้ที่สนใจผู้มีธุลีเบาบางเนี่พร้อมที่จะน้อมรับให้แ่ผู้มีบุญบรมีมีอยู่ในโลกนี้ที่จะรับพระธรรมคาสอน ขอให้พวกท่านทั้งหลายไปในคนนทิตาทางกันเพื่อประกาศเผยแผ่ธรรมะจากนั้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ไปอีกทางหนึ่งพระอรหันต์ทั้ง5รูปก็ไปอีกคนนทิตาทางเพื่อประกาศเผยแผ่ธรรมะสู่ปวงประชาในยุคสมัยนั้นนี่แหละพระพุทธองค์ก็ได้ไปโปรยฉดสามพี่น้องออกจากตรงนั้นไปแล้วคือฉดิมรูปเวลากัจจปะนาทีกัจจปะขายากัะปะ สามพี่น้องที่กรุงราชจะคือจากนั้นก็ได้โปรดจนได้สำเร็จเป็นพระรหันต์จรินทั้ง3 0 0พองค์อันนี้คือคือพุทธประวัติแต่ท่านยังไม่ได้บัญญัติวินยัยท่านยังไปโปรดเทศนาว่าการให้แกป่ปวงประชาทุกหมู่เหล่าแต่พอพระสงฆ์ขึ้นมามากๆมา ก, มากต่างองค์ก็ต่างเดินผู้ดงไปในสถานที่ต่างๆ แต่ที่ไปทีละครั้งก็เป็นหลายร้อยองค์เออเขไปเหยียบย่ําพืชของเขาที่เขาปลูกมีข้าวโพดมีแตงมีอะไรที่เขาปลูกเป็นชาวสวนพราเขาสมัยนั้นเขาก็ปลูกทําไร่ทําสวนและทำนาเนียจนที่แหลกเหลวไปหมดจากนั้นเขาก็ชาวบ้านเขาก็ตำหนิเอ่อไอ้ไข่โบโวยวายพห้พอผสง์ไปเหยียบบางองค์ก็ไม่รู้จักแก พราเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เขาไม่ได้เป็นเกษตรเนี่ยอันไหนควรจะไปยังไงเขาเยียบย่ํำพืชของเขาเขาก็เสียหายจากนั้นพระสงฆ์ที่รู้เรื่องก็มากราบพระพุทธเจา้าพุทธเจา้จาจึงบัญญัติวินัยให้จำพรรษานีน่นะที่จำพรรษาก็คือวันเดือนแปดเพลนแต่ถ้าว่าพระที่จะจําพรรษาไปไม่ทันสมุติว่าวันเดือ น, นแปดเพลนเราอยู่ที่นี่ ดูที่นาคำน้อยเนี่ยแต่เราจะไปจำปํำรรษาโคร า, ราชอย่านี้เราไปจำภรษามาได้ไหมได้แต่เราก็ต้องเดินเดินไปไปถึงเดือนหนึ่งเราจำราษาที่สองภาษาหลังจำํำรรษาเดือนเก้าเพเดือนแปดเพนเราจำภาษาไม่ได้เพราะเรายังไม่พร้อมที่จะจําำรรษาเราจึงเดินไปอีกเพราะจำรรษาหลังราษา เดือน 9, เก้าเพนนัจวาจำพรรษาหลังแต่มีความจำเป็นแต่ถ้าหากว่าเกินกว่านั้นไปแล้วไม่ได้จำพรรษาปรับประบัดทุกกฎหรือพระไม่จำพรรษาปรับประบัดทุกกฎอันนี้ก็คือให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาบวชคราวนี้ให้ผมเองอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนะที่ผมย้าแล้วย้าอว่วให้ตั้งใจให้ตั้งใจภาวนา ว่าสถานที่ของเราวัดของเราอยูกุฏิอยู่ห่างไกลกันอย่าไปมั่วสุมคุยกันอย่าไปคุกคลีด้วยหมู่คณะในธรรมของพระพุทธเจ้าพิกษูใหม่พิกซูใหม่ควรปฏิบัติตนอย่างไรให้พวกเราอ่านดูในนวโกวานให้พวกเราศึกษาเพราะเราก็มาศึกษาเมื่อเราเป็นคารวาัตเราก็ดูแบบคารวาัตแต่บัดนี้เราก็มาศึกษาเข้ามาอยู่ในกฎระเบียบนี้ เราควรตํำตนอย่างไรเมื่อเขามาบวชสินสองีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นมีอะไรบ้างในเมื่อเราศึกษาและลงมือประพธปฏิบัติแต่เราเมื่อเราทำไม่ถกูกพระที่มีอายุพรรษาที่บวชก่อนอก็เห็นพระใหม่ที่ทำไม่ถูกก็่านิ่งดูดายเพราะนั้นคือการทำผิดวินยัยทำผิ ด, ผดกฎระเบียบ เพราะทำวินัยมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของเราถ้าใครทำผิดก็ตักเตือนแต่ตักเตือนซึ่งกันและกันบอกกล่าวกันผู้ที่ได้รับการว่ากล่าวหรือตักเตือนอย่าไปโกรธให้เขาไม่ได้เพราะตัวเองไม่รู้ต้องยอมรับแต่ว่าผู้ที่ตักเตือนผู้ที่บอกกล่าวก็บอกกล่าวด้วยเจตนาดีอย่าไปบอกกล่าวด้วยอารมณ์ก็เห็นเลเพราะหลักธรรมวินัยไม่ใช่ของเราเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรม วินัยเป็นของกลางเพราะนั้นเราต้องชี้บอกให้ว่าเออคูบาหมูพวกเพื่อนอันนี้คือผิดวินัยนะอย่าไปทำในเมื่อเรามีความสงสัยมันผิดที่ตรงไหนครับคูบาเนี่ยให้ไปเปิดดูนะเล่มนั้นเล่มนี้เราก็บอกได้หรือว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปบอกองค์ที่ท่านรู้วินัยที่ท่านได้ศึกษามาแล้ว พระที่ท่านได้ศึกษามาแล้วเราก็ไปบอกถามท่านเออเนี่ยอกนี้ทาอย่างนี้ผิดวินัยไหมเออผิดนะก็ต้องไปดูออแล้วก็ค้นคว้าดูศึกษาดูถ้ามันผิดเราก็ต้องหยุดอย่าทาแต่ถ้าว่าสงสัยถ้าสงสัยขืนทําลงหนึ่งอันนี้ก็ผิดวินัยอีกเหมือนกันถ้าเราสงสัยและอย่าทําต้องถามซะก่อนให้ถามด้วยความมั่นใจซะก่อนเราจึงทา ไม่ใช่ว่าสงสัยแล้วขืนทำรรลงหนึ่งก็เป็นอบัตเหมือนกันสมมติว่าเราฉันอาหารนี่มันเป็นเนื้อหมูอยากก่างพูดง่ายๆนะแต่ให้มันเป็นเราเอกมันเป็นเนื้อหมาหรือเปล่าแต่เราก็ฉันแต่เราก็สงสัยเพราะนี่มันเป็นเนื้อหมาหรือเปล่าเราก็ฉันแต่มันก็เป็นเนื้อหมูนั่นแหละแต่เราสงสัยว่าเป็นเนื้อหมาเราก็ฉันยังเป็นอบัติทุกโกรธอยู่นะเพราะ เราสงสัยแล้วขืนทมเป็นอาบัติเพราะอะไรเพราะเราสงสัยเพราะนั้นสงสัยแล้วหยุดจะไปชันจะเป็นเนื้อหมูเนื้อหมาอะไรก็ตามจะเป็นเนื้อหมูก็ตามไม่ชันเพราะเราสงสัยนี่แหละขั้นว่าถสงสงสัยแล้วขืนทมยังเป็นอาบัติจะเป็นเนื้อหมูก็ยังเป็นอาบัติเพราะอะไรเพราะเราสงสัยนี่แหละเรื่องพระวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าสงสัยแล้วคืนทำ ก็เป็นอาบัตเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาเนื่องวินียเป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเราคิดดีคิดดีทำดีพูดดีเราจะผิดวินัยได้อย่างไรถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนั่นแหละต่ผิดวินียรเพราะฉะนั้นวินัยอยู่ในใจของเราคนที่ตายคนที่นอนหลับไม่ผิดวินัยร์เพราะไม่มีเจตนา แต่ถ้าว่าคนที่ตื่นขึ้นมามีเจตนาแล้วต้องทําอะไรต้องระมัดระวังเพราะนั้นเรามาเพื่อการศึกษามาคราวนี้ขอให้พระใหม่ลูกหลานทุกองคนะให้ต้องอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติเอาจริงเอาจังในพรรษานี้ให้อยู่ต่างองค์ต่างอยู่แล้วก็ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาอย่าพวกเราจะอย่าคิดว่าเราได้ยการศึกษาเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราไม่ได้รับการศึกษาผมเองแกก ในเครื่องวิทยุให้กับทุกองค์ซื้อมาไว้ตรงนี้แต่ไม่ให้ฟังเพลงฟังลำนะฟังเพลงฟังลำเราฟังมาพอแรงแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าขืนฟังเข้าไปก็เป็นอาบัตอีกต่างหากเพราะนั้นเราอย่าฟังฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรแต่เราจะไปฟังตะลัเปิดเปิงตะลัเปิง เ, เปิด อจดไม่รู้จักหยุดอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ฟังได้ก็ดีเพื่อการศึกษาแต่พอฟังไปแล้วมันจะเคยชินในการฟังพอเคยชินแล้วเขามันก็เลยฟังเป็นของเล่นของสนุกไปท่านพูดยังไงบ้างแล้วก็ฟังไปอผลที่สุดก็ดเบื่อในการฟังเทศอีกต่างหากเพออราะเหตุใดเพราะเราไม่ได้ตั้งใจฟังตาไม่จริงเวลาเราจะฟังเทศนะเราจะฟังเทศลงตาแล้วก็เปิดแล้วก็นั่งคัดสมาธิ แล้วก็ฟังธรรมเทศนาของท่านพอจบกันไปแล้วเราก็นั่งต่อทรมารมสมาธิต่อไปภาวนาต่อไปให้นานเท่านานจากนั้นเราจะเพิ่มหรือเราจะฟังอีกตอนตื่นนอนมาตีสองตีสามเราก็ทุกมาก็เปิดฟังอีกแล้วก็นั่งภาวนาฟังแล้วก็ปิดอันนี้แปลว่าฟังเป็นจิจยลักษณะถ้าฟังอย่างนี้จะเกิดประโยชน์ฟังแล้วนามาคิดนามากันกรองตรตรอง เหตุและผลที่ธรรมเทศนาขององค์หลวงปู่ที่ท่านแสดงพวกเราจะได้รับความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนขององค์หลวงปู่นี่เราจะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าคิดว่าหลวงพ่อเทศน้อยบ้างผูดน้อยบ้างยังไม่ได้รับการอบรมขอให้พวกเราอย่าไปคิดอย่างนั้นและก็พร้อมกันถ้าเราสงสัยตู๊กพระไตรปิฎกก็มีอยู่ในวัดของเรา มีพร้อมปดทุกอย่างก็ว่าจะพร้อมกว่าหลา ย, ลายวัดอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะผมเองให้ความสนใจเรื่องพระธรรมคําสอนขององค์ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ชี้ว่าประวัติของท่านทำมาล็กขีดของท่านมีหลา ย, หลา ย, ห, ลายหลายองค์นั่นเป็นแนวทางชี้แนะชีน้นําแต่ผมเองก็ไม่อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายอ่านหนังสือจนเกินไปถ้าอ่านมากอ่ามันก็อยู่ในตํำรับตาราท่านเองเหมือนกับเราดูแผนที่ เราดูเท่าไหร่ก็คือแผนที่มันเดินไม่ไปถึงไหนพราะดูแผนที่เมื่อเรารู้แผนที่แล้วเราก็จะบอกว่าเออผมรู้แผนที่แล้วผมรู้ไปถึงอังกฤษอเมริกาแล้วจบแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะการดูแผนที่กับการเดินทางมันต่างกันในเมื่อเราดูแผนที่แล้วเราก็ต้องเดินตามแผนที่เออแผนที่ต้องพับไว้ก่อนเออเว้นเสียแต่สงสัยเราจะคอยเอาแผนที่มากาง ไม่ใช่ว่าจะยกแผนที่อยู่ตลอดไม่ใช่เราก็ต้องเก็บแล้วก็นำมาปฏิบัติท่านสอนอยังไงท่านสอนเรื่องสมาธิทำยังไงใจของเราจึงจะเป็นสมาธิท่านสอนอย่างไรหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าก่อนหลับนอนถ้าไม่ได้ทำวัดเย็นก่อนที่จะหลับนอนต้องไหว้พระซะก่อนทำวัดทุกวันเอาหนังสือทำวัดสวดมนต์ของเรา ไปอ่านอ่านตามหนังสือก็ได้อรหังสวากาโตสุปฏิปัโนโนโมตสะพุทธังธรรมังสังขังอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธกายเยยวาจา ย, ย, ว, จยสสวาเจสสะวะสวดจากนั้นก็อรหังสุกิโตโอมินิตุโขหมิแผ่เมตตาจากนั้นเราก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายปนมมือไหว้ครูพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสจบจากนั้นเอามือลงก็แผ่เมตตา ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจัดอื่นวิญญาณอื่นทั่วสากลทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นขวัญลิกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถนี่แหละวิธีการนะพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถถ้ามันเผลอทะเลอะลําไปมันออกบ่อยเอาไม่อยู่มันออกนอกรูนอกทางบ่อยเอ๊ะ มันออกยังไงมันทําให้ออกบ่อยนะมันออกเวลาอย่างไงนี่ผมบอกแนะวิธีการก็คือหายใจเข้าให้นับนับตัวเลขซุดสเิเพราะเราเคยชินกับการนับเลข1 2 3, ึสหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4ี่นับไปถึง 100. ร้อเผลอไหมมันเผลอที่ตรงไหนก็เวลามันเผลอมันสังเกตได้ง่ายก็คือเวลามันเผลอ หายใจเข้ามันเป็นเลขขี้หายใจออกมันเป็นเลขคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันเผลอมันจะเบอร์เบอร์จากนั้นหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขขี้สลับกันอันนั้นแปลว่าเราเผลอแล้วเ อ, อเราต้องตั้งต้นใหมอ่อีกนี่แหละถ้ามันเผลอบ่อยๆไม่เป็นผลดีสําหรับการปฏิบัติของพวกเราเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกอในเมื่อเราสติของเราเข้มแข็งไม่เผลอ ภาวนาถึงร้อยก็ไม่เผอสองสารอยก็ไม่เผอกี่ครั้งก็ไม่เผลอนั่นแปลว่าสติของเราดีแล้วจากนั้นกับบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่าไปคิดปรุงไปไหนอย่าไปคิดไปในอดีตไม่ต้องคิดไปในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้เราอยู่อย่างไงนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายนะพระนว ก, กะทั้งหลายวันนี้ปีนี้ก็นับว่า พระนวกขาทั้ง1ิบกว่าองค์พระใหม่ทั้งพระเก่าก็รวมกันละสี่สิบสองโรคก็มากพอสมควรแต่ถึงยังไงผมก็เห็นแก่น้ำจิตน้ำใจเก่งเห็นแก่ใจผู้ที่เข้ามาศึกษานะก็รับไว้ต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีเป็นพระดีเมื่ออยู่ในาศาสนาไม่ได้นะเราเข้ามาบวช เพียงสามเรือนแต่เราตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีพวกท่านทั้งหลายก็จะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาต่อไปเมื่อศึกออกไปลาสิกขาออกไปก็ได้นำทำคาสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติจิตใจของท่านก็จะร่มเย็นเป็นสุขนานเท่านานนี่แหละอันนี้ก็คือผมมุ่งหวังปรารถนาอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลาย เป็นผู้มุ่งมันเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นทายาทต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่เพื่อผมนะผมไม่อีกไม่กี่นานไม่นานนะผมก็จะไปตามเรื่องของผมแอายุของผมมากน้อยพวกท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วแต่หน้าที่ที่พวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจดต้องด้รับนะและก็พร้อมกันพระเก่าก็เหมือนกันในเมื่อพระใหม่เข้ามาสู่วัดวาศาสนา อย่าไปพูดชุมสี่ชุมห้าไม่ได้เนี่แหละคือทําให้เสียเพราะพุทธศาสนาเสียส่วนหนึ่งก็คือพระเก่าที่ไม่มีหลักไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองล้อเลาะเลยแหล ะ, ล ะ, ล ะ, ละ เ, ออเดี๋ยวก็ไปพูดให้องค์นั้นฟังพระองค์นี้ทะเลาะองค์นั้นพระองค์นั้นทะเลาะองค์นี้พระองค์ง น, น, ง น, น, งนั้นไม่ดีอย่างนั้นพระองค์นี้นไม่ดีอย่างนีน้พระเก่าะเพื่อจะให้พระใหม่นับถือเลื่อมใสตัวเองเออแล้วก็เนี่แหละยุยง พลในสุดเนี่ยพระใหม่เขาเลยมาเห็นโอ้พระในวัดเนี่ยทำใหมเป็นอย่างนี้สรุปแล้วคือพระในวัดมันโง่สรุปแล้วคือไม่รู้จักรักษาสถานะของตัวเองอันนี้ต่อขอฝากไว้กับพวกท่านทั้งหลายทุกองนะพระเก่านะถ้าองค์ไหนมีพฤติกรรมอย่างนั้นบอกผมนะให้พระเก่าด้วยกันบอกผมถ้าองค์ไหนมีพฤติกรรมอย่างนั้นผมจะไล่นี้ออกจากวัดทันทีเพราะทาให้เสียหาย ในวงการปกครองพราะฉะนขอให้พวกเราทุกๆท่านนะภใหม่ทุกองภาคเก่าทุกองต้องเป็นตัวอย่างแหพูดเป็นตัวอย่างของน้องๆที่เข้ามาศึกษาไม่ใช่ว่าเข้ามาแนละ้วอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งเหลียวแหลกไปเรื่อยยิ่งตำซ้มไปเรื่อยยิ่งเฉื่อยชาไปเรื่อยยิ่งทำตัวไม่ดีไปเรื่อยอย่างนั้นไม่ใช่นะ่ะ ให้พวกท่านทั้งหลายระมัดระวังนะสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ในะสถานที่ใดก็าตามให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งใจถ้าออกไปจากวัดเราไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้ทะเลทลายไม่ได้นะให้ยู่ตามหลักพรฒนาินนะให้เคารพซึ่งกันและกันนะผู้น้อยให้เป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ให้เป็นผู้ใหญ่อย่าไปก้าวไกลกันให้รู้จักสถานะของตนเองเราเป็นพระผู้น้อยเราทําตนอย่างไระไม่ใช่ว่า ครูบาอาจารย์โพูดคําหนึ่งนู่นลูกน้องไต่ไปความไปไม่รู้จกกะกี่คํำต่อกี่คําไม่ตกฟากลากดินเฉลยอันนั้นใช้ไม่ได้หาดความเคารพอย่างมากวงกรรมฐานของเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนั้นวงกรรมฐานของเราต้องเคารพพระที่มีอายุพันษาถึงจะพูดยังไงเราผู้น้อยก็ต้องฟังถ้าูเว้นเสียจะพูดไม่ถูกถ้าพูดไม่ถูกถถก็อ มันถูกไหมท่านอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือแสดงความคิดเห็นแตไม่ใช่ว่ า, าท่านพูดไปแล้วก็ขึ้นทิฏฐิมานะขึ้นมาชนท่านห ร, หรือมาพูดท่านเพ้อเพ้อย่างแนะอาจารย์อีกต่างหากอย่างนั้นมันไม่ถูกนะให้ระมัดระวังนะพระน้อยพระหนุ่มทั้งหลายนะต่อไปพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วลูกน้องของท่านนะ ปฏิบัติตนอย่างท่านที่ทำเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรท่านคิดดูซิพวกท่านทั้งหลายคิดดูซิมันถูกต้องไหมยอย่าไปทำถ้าทำไปแล้วไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลสำหรับตัวของท่านเองต่อไปภาภาคหน้าก็ไม่เป็นมงคลอยู่ไปเป็นพระผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นมงคลอยู่เป็นชังกระตายไปอย่างนั้นแะหากดถากเกณฑ์ไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้เป็นผู้มุ่งมั่นในธรรม ไปอยู่นสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดให้ขอรบผู้ใหญ่อย่าไปตีเสมอออย่าไปใช้ทิฐิมานะอยู่ด้วยกันให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ให้มีธรรมวินัยเป็นเครื่องอยู่ให้มีกฎให้มีระเบียบให้มีวินยัยแต่ถ้าพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยการค้อนเท่าคอสไม้เท่าไม้ไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีครูบาอาจารย์อย่าหวังเลยพวกท่านจะมีความสุข อยู่ด้วยกันกับ น, นั่นแหะเพอเพออีกสักวันหนึ่งแต่การถอยไม่เผาผีส g กระดูกกันอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะว่าความไม่ลงรอยกันเนี่ยนะอะไรถ้าเป็นลักษณะทำใช่ไหมทำใช่ไหมเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ทำหรอกมันกิเลสทั้งดุน้นกิเลสเผาหัวใจมันไม่ใช่ทำถ้าทำคือหลักเหตุผลสิ่งไในผิดจริงใ้ถูกรู้แก่ใจว่าการกระทําอย่างนี้มันถูกไหมตามหลักพระธรรมวินยัย ให้ศึกษาดูซิเออเป็นผู้น้อยควรทำตนอย่างไรเป็นผู้ใหญ่ควรทำตนอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาในหลักพระธรรมวินยัยมีทุกอย่างให้พวกเราไปศึกษาในพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนอ่านดูสิเล่อวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองอ่านดูสิเป็นยังไงถ้าว่าพวกเราศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้หลักพระธรรมวินัยทำคาสอนของพระพุทธเจ้านั้น ละเอียดมากควรคิดยังไงควรพูดยังไงควรทําตนอย่างไรกับครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าถ้าหาว่าพวกเราทําไม่ถูกแล้วมีแต่ความหายนะที่จะเข้ามาสู่พวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันพวกพระนวากะทั้งหลายนะวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาแต่วันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเข้าพรรษาผมจะต้องทดสอบการอธิษฐานพรรษาของพวกท่านนะ แว่าพวกท่านทั้งหลายได้ไหมคําอธิษฐานพรรษาถ้าเป็นได้พวกลงพ่อจะให้พวกท่านไปท่องอีกจนท่องให้ขึ้นใจจึงจะมาเข้าพรรษาถ้าไม่ได้คํำอธิษฐานพรรษาจะอธิษฐานได้ยังไงพอพวกท่านทั้งหลายไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาจะไปพูดมัวเมียพูดไม่ได้จะไปพูดได้ยังไงเพราะทำคําสอนไม่ใช่ของหลวงพอ่อยพูดอะไรต้องชัดเจนจริงจัง ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแต่ไม่ใช่ว่าพูดหมู่พุงมุนมิดแล้วก็พูดไปให้จบ ผ, ผ่านๆไปมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่หลักธรรมของหลวงพ่อนะไม่ใช่วินัยของหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เคารพในหลักธรรมวินัยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลวงพ่อก็ต้องพูดให้ชัดเจนแสดงอปัตเข้าชัดเจนเรืเ่องวินัยตรงไหนให้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะท่านพูดให้ชัดเจนแต่ตรงไหนที่ท่านว่าอย่าพูด อยากคุยกันแต่พวกพวกเราทำไมท่านไม่ให้คุยกันพวกเราทำไมอยากจะคุยกันเสียงดังอีกต่างหากแต่ตรงไหนจะให้ออกเสียงทำไมจะ ม, ม, มูมู่ปมับยุนลำคอนะต้องออกเสียงสิให้มันถูกต้องให้เป็นธรรมเป็นวินัยนี่แหละสิ่งไหนควรจะพูดควรจะทำอย่างไรเราควรจะศึกษานะพอเข้ามาศึกษาแล้วคราวนีมาศึกษาในระบบหนึ่งตก น, นเราเป็นฆรวาสเราไม่ได้ศึกษา แต่บัดนี้เรามาเป็นพระระบบของพระนี่การศึกษาของพระนี่ศึกษาอย่างไงข่าวนี่แหละเป็นการศึกษาของพวกเราทั้งกฎทั้งระเบียบด้วยทั้งแนวความคิดด้วยทั้งการพูดด้วยทั้งการกระทําด้วยแนวความคิดจะ ค, ค, ค, คิดยังไงคิดอย่างพระนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้างท่านให้มีความคิดยังไงท่านให้มองยังไงให้ปริกรรมพุทโธอย่างที่ผมพูดแนวคิดของพระอย่าไปคิดปุงฟุ้งออกไปข้างนอก จากนั้นเขาใหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเนะี่ยนี่แหละเราต้องคิดอย่างนี้ส่วนธรรมเราจะทํายังไงให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้รู้จักผู้น้อยให้รู้จักผู้ใหญ่ให้มีศีรายจารวัดให้เคารพซึ่งกันและกันให้มีวินยัยให้มีศีลการกระทําการพูดก็พูดด้วยสัมมาทิฏฐิอย่าไปพูดก้าวเล่าอย่าไปแสดงความไม่เคารพพูดออกนอกลูกนอกทาง พูดโกหกตอแหลไม่ใช่เรื่องของพระทั้งนะั้นเพราะท่านการเข้ามาคราวนี้เรามาฝึกหัดแนวความคิดแนวการกระทาแนวการ<ม>พูดเพราะท่านขอให้เราศึกษาศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ผมพูดให้ฟังนี่ก็คือเป็นแนวทางเท่านั้นแหละที่พวกท่านทั้งหลายจะประพฤติจะคิดยังไงจะทำยังไงจะพูดยังไง ให้พวกท่านทั้งหลายศึกษาไปเรื่อยๆพวกท่านทั้งหลายจะรู้นะจะรู้จักแนวทางการนี้คือเราพูดท้ายพระปฏิโมกต้องพูดเรื่องของศีลคือวิทย์ในให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษานะให้อยู่ในหลักพระธรรมวิัยพอเราฟังพร ะ, พระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้ล้วนแล้วจะเป็นวิทย์ในของวิทย์ใของพระทั้งหมด227ร้อยีข้อที่ท่านพระปฏิโมกสวดเมื่อกี้เนี่ย พวกเราแปลเรารู้ไหมเราก็มีวิธีที่จะรู้ได้ในทั้งสือพระปฏิโมกเล่มนะ่ะที่เราฟังเนะี่ยเรามีหน้าหนึ่งอัดหน้าหนึ่งแปลเขาแปลให้เรารู้อยู่แล้วเพรา ะ, ะนั้นเราอยากจะศึกษาเราก็อ่านดูก็ได้สิกขาบทที่หนึ่งแปลว่ายังไงที่สองที่สามที่สีถึงสองร้่สิแปลว่ายังไงเราแปลได้จากนั้นยังไม่ชัดเจนเราก็ไปอ่านวิหิมุกเล่มหนึ่ง ที่เขาอธิบายกว้างขวางออกไปอีกนี่แหละคือพระวินยัยพวกเราจะต้องศึกษาศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเราจะเป็นพระที่สมบูรณ์จะเป็นพระอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยต่อเนี่อไปสวดท้ายปฏิโมกข์นั่นี้นะ